ธรรมะถาเรื่องถ้าไปถึงปัญญาก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากลโดยพระพรหมคุณาพรปออประยุตโตวัดยา น, นเวศ ส, สกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมพูดคุยกับพระหลังฟังปาติโมวันที่สิเอ็ดตุลาคมพุทธศักราช 2,550 ตอนนี้ก็มีข่าวใหญ่ในวงการพระสศดสนาผมพูดอย่างนี้ยังไม่ได้บอกว่าอะไรทุกท่านก็คงรู้ในใจแหละก็คือข่าวหลวงพ่อปัญญาณันทะถึงวรณภาพเมื่อวานตอนเช้าเก้าโมง ทุกท่านก็ทราบรายละเอียดดีแลนะ้วนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ทํางานสําคัญในแก่น菩萨舍มามากและยาวนานถือได้ว่าท่านเป็นผู้เปิดยุคใหม่ของการเผยแผ่แต่ก่อนเนี้ยพระเราก็จะเคร่งครัดในแบบแผนประเพณีทําตามวิธีแสดงธรรมก็คือเทศ ต้องขึ้นธรร ม, มาทถือใบลานนีิมาหลวงพ่อปัญญาอนันะนี่ท่านเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเริ่มยุคนี้ความจริงคณะของท่านก็มีสามสามเรียกว่าสามพี่น้องก็คือหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อบอชอเขมาภิรัตหลวงพ่อปัญญาอนัฏสามพี่น้องนี้ก็หลวงพ่อบอชชอเขมาภิรัตก็มารณภาพไปก่อนแล้วก็มาหลวงพ่อ พุทธาตุแล้วก็มาพุ่งพ่อปัญญาอนันทะหลวงพ่อปัญญาอนันทะก็เพิ่งทำบุญครบแปดรอบอายุ96้าบหปีไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้นี่ท่านตั้งใจว่าอยากจะอยู่ให้สร้างโบสถ์น้ำที่มหาจุฬาวังน้อยให้เสร็จแต่ก็มีเหตุเกิดขึ้นการหัวใจของท่าน เมื่อไปแก้ไขเรื่องหัวใจมันก็กลับไปเป็นภาระกระไตเพราะต้งฉีดสีฉีดสีก็ไปทีนี้ไตมันต้องขับไตคนสูงอายุมากทำงนานไม่ไหวก็กลายเป็นบรณภาพเพราะไตาวายเนี่ยปัญหาใหญ่ที่จริงท่านก็จะอยู่ได้แล้วก็คือทำการแก้ไขเรื่องหัวใจได้สาเร็จแต่ก็กลายเป็นว่าไปเรื่องหนึ่งไปเรื่องไตซะ แล้วก็มีเรื่องปอดติดเชื้ออีกแต่คิดว่าเหตุสำคัญก็อยู่ที่ไตลุงพ่อนี่ก็เป็นผู้อย่างที่บอกแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดประชาชนมากงานพิแศษก็เลยในสามองค์เนียท่านถึงประชาชนมากที่สุดลงพ่อพทุทธทาสก็มักจะอยู่ในระดับปัญญาชนนี่ลงพ่อบอชเคมาภิรัตท่านก็อายุสั้นหน่อย หลวงพ่อปัญญาได้อยู่ได้ยืนยงแล้วก็ท่านทำงานเผยแพร่กว้างขวางไปทั่วหมดจากใต่ไปจดเหนือไปตั้งศูนย์กลางที่เชียงใหม่แน่ดีท่านเคยไปสอนอยู่ที่เชียงใหม่นานรู้จักชื่อสวนพุทธธรรมใช่ไหมอตอนนั้นท่านไปสอนที่นั่นไปแสดงปาฏกถาแบบสมัยใหม่เนี่ย ตามที่เสียงผมได้ยินสมัยนะั้นผมก็ไม่ทันท่านมากหรอกแต่ว่าอยู่ในระดับได้ยินข่าวอยู่ไกลอะ่ะผมก็อยู่ทางไกลๆกรุงเทพนี่แหละแต่หลวงพ่อปัญญาอนันต์อาจารไปสอนอยู่เชียงใหม่ข่าวมาว่าท่านพูดเนี่พวกโรงหนังอะ่ะทักเปิดพร้อมกันละแพ้ท่านเลยโรงหนังคนไม่ไปมาฟังท่านปัญญาอนันตนะ์เทียกว่าต้องเก่งจริงๆ คือท่านพูดนี่เข้าใจง่ายแล้วก็ถึงอกถึงใจคนเข้าใจดีธรรมะที่ท่านบรรยายก็อยู่ในระดับของการประพฤติปฏิบัติตัวของประชาชนในสังคมที่เป็นระดับโดยเฉลี่ยเนี่ยทันกันถ้าเรียกในปัจจุบันก็คือเป็นระดับที่เขาใช้คำสมัยนี้ว่าจริยธรรมท่านจะพูดในระดับน้มก่กแล้วก็ เป็นเรื่องของการทันสมัยในแง่เป็นวิทยาศาสตร์คือท่านไม่ต้องพูดเรื่องวิทยาศาสตร์หรอกแต่หมายความว่าท่านนิยมเหตุผล ไ, ไ, ไม่ไปทางเรื่องอิทธิริษฐ์ปาฏิหาริย์ไสยศาสตร์โดยเฉพาะท่านติตเตียนมากในยุคนั้นสักห้าสิปีมาแล้วนี่เป็นยุคที่สังคมกำลังเคลื่อนไหวเข้ายุคนิยมวิทยาศาสตร์ด้วยก็<ม>เรียกว่า เข้าถึงคนยุคปัจจุบันได้อย่างดีท่านก็ทำงานนี้มาการที่ยืนเทศปาแต่กระถาแสดงทำปากเปล่าอะไรมีคนนั่งฟังในหอประชุมนั่งเก้าอี้อะไรเนี่ยก็เรียกว่าท่านเป็นผู้นำเป็นผู้เปิดยุคนี้แม้แต่ตอนท้ายๆนี้ท่านก็ยังนำนะเป็นผู้ที่ริเริ่มในการที่ว่าจัดงานศพเวลามีสวดศพแทนที่จะสวดสี่จบก็ท่านก็ให เทศซะแล้วก็สวดจบเดียวก็บางวัดก็นิยมจัดตามอันนี้ก็เป็นความคิดที่เริ่มของท่านเออเรียกว่าท่านทาอุปการะเกือกูลแก่งานพระศาสนามามากก็กูลที่จะระลึกถึงความสำคัญของท่านแล้วก็เอามาเป็นแนวทางในการที่ว่าจะช่วยการทำงานพระศาสนากันต่อไปอย่างไร อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะยุคนี้มันก็เป็นยุคที่เหมือนกับว่าความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิริศปาฏิหารเรื่องจัตุวความรามาเทพอะไรเนี่ยมันย้อนกลับมาแรงกระแสนี้เรียกว่าสังคมนี้ก็หนักหน่วงอยู่ซึ่งมันสัมพันธ์กันพอดีอย่างที่ผูกูกล่าวที่แล้วว่าความนิยมวิทยาศาสต ร, ร์ก็เสื่อมลงเรื่องที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า spirituality ก็เลยเกลือขึ้นมามีโอกาสที่จะเด่นขึ้นมาคู่เคียงเรื่องที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณเพราะเดี๋ยวเขานิยมใช้คํานี้แต่ว่าถ้าใช้ศัพท์เดินก็เรื่องผีผีที่ว่าก็กลับคืนมาฟื้นก็แรงขึ้นมาตอนเนี้นี่ว่าในเรื่องของเรื่องผีผีนั่นเราก็ต้องรู้จักแยกเอาไอ้สิ่งที่ดีมาใช้ประโยชน์ไม่ใช่หลงตามไปแยกแยะไม่เป็นก็ยุ่ง มันมีทั้งด้านเสียด้านดีส่วนบางส่วนก็เข้ามาในพุทธศาสนาได้แล้วทีนี้ในแง่ที่ว่าหลวงพ่อท่านเผยแผ่ธรรมะที่เข้าถึงผู้คนทั่วไปท่านก็นเน้นเรื่องที่เรียกกันในปัจจุบันว่าจริยธรรมแล้วเวลานี้ถ้าหนาจจะได้ข่าวว่ากําลังมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการที่จะเดินเครื่องเรื่องจริยธรรมที่ โยงไปสู่แนวคิดเมื่อสมัยสัก20ปีมาแล้วที่เรียกว่าจริยธรรมสากลได้ยินบั้งไหมเวลานี้ยกำลังมีการเคลื่อนไหวอันนี้บางทีเขาก็ใช้คำว่าคุณธรรมและจริยธรรมก็เลยขอพูดเรื่องนี้นิดหน่อยพูดแบบสรุปเพราะมันเรื่องใหญ่เลยเกิดเรื่องจริยธรรมแล้วก็อาคาว่าคุณธรรมมาหนุนเวลานี้มักจะต้องพูดคูยว่าคุณธรรมและจริยธรรม นี้จริยธรรมอันเนี้ยตัวคําเองก็เป็นคําใหม่มากคือมันไม่ใช่ศัพท์เดิมในสังคมไทยถ้าพูดเป็นเล่นๆก็บอกว่าสังคมไทยเมื่อร้อยปีที่แล้วไม่มีจริยธรรม <Yeah. S 1> ก็ฟังได้สองอย่างนะ mm hmm. ไม่มีจริยธรรมหมายความคนไทยนี่แย่ใช่ไหมเปล่าไม่ใช่หมายความมันไม่มีคําว่าจริยธรรมคําว่าจริยธรรมเมื่อร้อยปีก่อนมันไม่มีมันเป็นศัพท์บัญญัต เพิ่งมีขึ้นเมื่อสัก40ปีละประมาณนี้เป็นศัพท์บัญญัติเพื่อจะให้ตรงกับคำว่า e อ h i ิกของฝรัง่งนี้คำว่า e อ h i ิ s มาแปลเป็นจริยธรรมเกิดขึ้นมาแล้วคนไทยเนี่ยกำลังนิยมวิชาการจากตะวันตกเพราะฉะนั้นคำว่าจริยธรรมก็ใช้กันมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งต่อมาเนี่ยคำว่าศีลธรรมซึ่งเป็นคำเดิมในสังคมไทยก็ค่อยๆถูก ละเลยหรือตั้งใจทิ้งก็ไม่รู้นะีจนกระทั่งแม้แต่หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการก็เลิกใช้คำว่าศีลธรรมวิชาศีลธรรมก็หมดไปแล้วก็พยายามมีคำว่าจริยธรรมเข้าไปเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งว่าเมื่อประมาณ20ปีมาแล้วเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวที่ว่าจะให้มีแบบจริยธรรมสากลจริยธรรมสากลก็หมายความว่าเป็นจริยธรรมที่เป็นกลางๆไม่ ขึ้นต่อชาติไหนสังคมไหนประเทศไหนศาสนาไหนทั้งสิ้นทํากันถึงข น, นาดที่ว่าเออพวกหลักความประพฤติในสังคมไทยนี่มาจากพุทธศาสนาเมตตาก็พุทธศาสนาสติก็พุทธศาสนาสมาธิก็พุทธศาสนาศรัทธาก็พุทธศาสนาเราต้องเป็นกลางๆตอนนั้นเขามีความเคลื่อนไหวต้องเป็นสากล สากลก็หมายความว่าทั่วโลกเป็นกลางๆหมดเราต้องเอามาทําบัญชีดูกัน mm hmm. คล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆทําบัญชีว่าอันไหนมันเป็นจริยธรรมที่ยอมรับได้ทั่วโลกแล้วก็พยายามใช้เป็นคําไทยสัจจะแปลว่าอะไรความจริงไม่เอาแั้วคำว่าสัจจะเอาคําว่าความจริงเมตตาอะไรความรักตัดทิ้งเมตตา ศรัทธาแล้วแปลว่าความเชื่อก็เอาความเชื่อทีจะต้องเอาศรัทธาทำไมตัดไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะมาถึงเอสตินี่จะแปลว่าไงดีความระลึกได้หาคาที่มันมีความหมายคลุมยากก็พยายามดิ้นรนกันนักวิชาการสมัยใหม่จะทำจริยธรรมสากลก็เป็นความเคลื่อนไหวสำคัญนะในวงการวิชาการแล้วก็เข้าสู่กระทรวงสาธาร ถ้าสำเร็จก็จะเป็นหลักสูตรกระทรวง mm hmm. แปลว่าศีลธรรมนี้ก็หลุดหายไปแล้วแหละจริยธรรมก็เข้ามาอันนี้เมื่อพูดถึงศีลธรรมนักวิทยาการสมัยใหม่ก็เลยต้องพยายามมาทำความชัดเจนในแบบสมัยใหม่เพื่อจะพูดตัดได้อ้าวเขาก็ให้ความหมายเอาแล้วนะจริยธรรมนี้เป็นหลักความประพฤติเป็นแบบแผนความรู้พฤตที่ทั่ ว, วไป ส่วนศีลธรรมนั่นคือหลักความประพฤติ ท, ที่มาจากศาสนานี่คำจากัดความใหม่เกิดขึ้นในยุคนั้นนี้ตอนนั้นเขาก็บอกว่าเราไม่ควรขึ้นต่อศาสนาไหนที่ว่าจะเป็นจริยธรรมสากลเพราะฉะนั้นก็ไม่เอาศีลธรรมก็ถูกแล้วสิใช่ไหมเออพลเป็นศีลธรรมก็เป็นจริยธรรมที่มาจากศาสนาเนี่ยแนวคิดตอนนั้นทีนี้เรื่องนี้มันก็ โดดเด่นอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็เบาๆลงไปแต่ว่ากระแสมันก็ยังอยู่ก็คือว่าศีลธรรมก็ไปเอามหมดจากลักษณ์ศูนย์สุสัสธิการไปก็มีจริยธรรมเข้ามาอันี้ต่อมาก็จะมีการอบรมจริยธรรมอะไรต่างๆแล้วก็เห็นว่าจริยธรรมมันเป็นเรื่องความประพฤติข้างนอกแสดงออกมันต้องมีด้านจิตใจด้วยก็เลยมีคําว่าคุณธรรมเข้ามาว่าเป็นเรื่องจิตใจต่อมาก็ใช้ควบคู่กัน เวลาจัดอบรมอะไรที่ไหนก็อบรมคุณธรรมและจริยธรรมอะไรทำนองนี้ก็ใช้กันมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อันนี้มันถึงเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ว่าในแง่พุทธศาสนาเรามองเรื่องนี้อย่างไรแต่เราต้องรู้ว่าเขาเกิดขึ้นมาอย่างไรด้วยเอาละผมจะตัดตอนมาก่อนถ้าจะพูดละเอียดแล้วมันจะเยอะนี่จริยธรรมสากลก็เบาๆไปเพราะมันคิดยากแม้แต่คําว่าสตินี่จะ หาคำแปลภาษาไทยมันไม่มีหรอกคำอะไรที่มันจะกินความได้อย่างสติมีไหมครับมันเป็นไปไม่ได้นะก็เป็นการคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ว่ากระแสะใหญ่ก็ยังอยู่ก็คือว่าศีลธรรมก็เป็นอันว่าตัดไปก็เป็นจริยธรรมนีมาตอนนี้เกิดการเคลื่อนไหวเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ย แล้วก็โยงไปสู่เรื่องของจริยธรรมสากลเขาก็จะบอกว่าจริยธรรมสากลเนี่ยพูดที่ไหนก็รู้กันทั้งนั้นเขาละไว้ไม่ต้องพูดถึงก็เราก็รู้กันว่ามัไม่เหมือนอย่างหลักศาสนานี่อย่างของพุณตศาสนาก็พูดรู้ในประเทศไทยลังกาพมา่าเดี๋ยวไปฝรั่งเขาก็ไม่รู้อะไรนีนะคล้ายๆอย่างนั้ น, ะยยงงนถ้าจริยธรรมอย่างนี้แล้วก็พูดที่ไหนก็รู้กันทั่วโลก แล้วกาศีลธรรมก็ยังว่ามันก็ขึ้นต้นสัสนานี่เราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูต้องทันเขาจริยธรรมที่ว่าสากลเนี่ยสากลยังไงหนึ่งเหมือนกันบเสื้อผ้าชุดสากลรู้จักไหมฮสากลก็คือของฝรั่งเนั้นเองใช่ไหมมันสากลจริงไหมสากลมันก็ต้องมีทั่วไปหมดทั้งโลกมันต้องเหมือนจะเหมือนกันหมดอย่างเดียวกันหมด ไอ้สากลชุดสากลมันก็แค่ของฝรั่งเท่านั้นแหละไทยเราไปเกิดนิยมขึ้นมาเรียกชุดสากลนะเวลานี้มันก็ใช้ไม่ได้ทั่วโลกใช่ไหมชุดสากลเนะ่ยมันจะเป็นสากลยังไงทีนี้จริยธรรมสากลมันก็เป็นของฝรั่งนั่นเองจริยธรรมฝรั่งไม่ใช่สากลอะไรหรอกถ้าสากลจริงนะนะก็คือความจริงใช่ไหมความจริงเนี่ยใครจะรับไม่รับมันสากลใช่ไหม มันไม่ต้องมีคนมารับอันนี้ตั้งจริยธรรมสากลได้คนรับว่าพอพูดขึ้นมาแล้วคนนี้บอกใช่คนนี้บอกใช่คนไปรับรองได้ไอ้ที่จริงสากลก็คือความจริงความจริงนั้นมันแน่นอนความจริงก็ต้องเป็นความจริงตามธรรมดาธรรมชาตินะถูกต้องตามความเป็นจริงธรรมชาติอย่างนี้แล้วสากลจริงมันไม่ขึ้นต่อที่ใด ไม่เข้าใครออกใครเลยเนียสากลแบบนี้นี่คือจริงเป็นสากลแท้ก็ต้องเป็นความจริงเราจะไปหลงตามเขานาะเขาบอกสากลคือพูดที่ไหนก็ยอมรับอันนี้สากลคนพูดสากลของฝรั่งใครนิยมตามฝรั่งก็ว่าใช่ใช่ไหมเออเนี่ยบางทีไปเชื่อตามเขานี่บอกว่าคุณมันไม่จริงละไอสากลของคุณน่ยหนึ่งของคุณสากลก็คือของฝรั่ง สองแลส า, ากลก็คุณนี้เอาตามปากคนพูดคนไปรับรองอะไรได้จริงเหรส า, ากลแท้มันต้องความจริงอันนี้เด็ดขาดก็ต้องมาพิสูจน์กันว่าอันไหนเป็นความจริงทีนี้จริยธรรมที่มาแบบสายตะวันตกเนี่ยเราก็ต้องรู้ภูมิหลังเขาจริยธรรมตะวันตกนี่มันมาสองสายใช่หมหนึ่งสายปรัช ญ, ญา ตั้งแต่กรีกโซเกรติสเรโตโ อ, อริสโตเติลมาเรื่อยมาสายหนึ่งแล้วมาสายศาสนาศาสนายิวคริสโดยเฉพาะศาสนาคริสเพราะคริสเป็นใหญ่ในสมัยกลางทั้งพันปีอีนนี้ศาสนาคริสก็เป็นจริยธรรมแบบเทวปัญชาหรือเทวองค์การพระผู้เป็นเจ้าสั่งส่วน จริยธรรมของนักปรัชญาตั้งแต่กรีกมาก็เป็น speculation คือการคิดคเนตตามเหตุผลใช่ไหมคิดคเนตตามเหตุผลแล้วก็บางทีก็โยงกันเรื่องบัญญัติของมนุษย์จะเข้าถึงความจริงตามธรรมชาติหรือเปล่าก็เถียงกันอยู่นักปรัชญาเองนะเถียงไม่รู้กี่สำนักใช่ไหมเนี่ยเอาละมาสงสยัยทีนี้มาในยุโรป ตลอดเวลาพันปีของสมัยกลางเนี่ยมันขึ้นต่อาศาสนาคริสต์เพราะฉะนั้นจริยธรรมของปรัชญาตอนตกของสายกรีกอะไรนะัน ก, ก็ต้องเหมือนกับชะลอชะลอหรือไม่มีกำลังก็มีแต่นักคิดนักปราชอะไรพวกหัวปัญญาชนที่คิดอยู่แต่ว่าอิทธิพลที่จะเอามาใช้ปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่ จริยธรรมแบบเทวบัญชาของศาสนาคริสต์ก็คือพระเจ้าท่านสั่งมาว่านี้พระองค์ห้ามถ้าฝ่าฝืนแกก็ถูกลงโทษพระองค์สั่งให้ทำงี้ให้ปฏิบัติตามถ้าไม่ทำตามข้าก็ลงโทษแกลงโทษไงรอวันสิ้นโลก Judgment Day พวกแกตายไปแล้วก็วิญญาณรอวันสิ้นโลกก็ตื่นลุกขึ้นมาหมดคราวนี้พระเจ้าก็ตัดสินวิพากษาเรียกเมนดวันสิ้นโลก นี่เอาละจะริยธรรมแบบเทวบัญชาก็ครอบงำยุโรปแล้วโลกตะวันตกอยู่พันปีนี่พอผ่านยุคสมัยกลางมาขึ้นเรเนซ อ, องสยุคที่บางทีก็บัญญัติสรรพปุณรุษชีพหรือยุคเกิดใหม่วิทยาการของกรีกโรมันโบราณขึ้นมาแล้วเอาละนะตะวันตกหันกลับไปหาปราัชญากรีกโรมันแล้ว นววิทยาการเปลีกโรมันก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็โยมมหาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ฟื้นฟูเจริญขึ้นมาตอนนี้แหละเขาเข้ายุควิทยาศาสตร์เข้ายุคแห่งปัญญาฝรั่งซึ่งถูกศาสนาคริสต์บีบคั้นถึงก็ตั้งศาลเขาเรียกศาลอิพิสิชันศาลตัดสินสรัทธา เล่นงานมาตลอดแกสงสัยไบเบิลไม่ได้แกสงสัยโลกกลมโลกแบนแกสงสัยแกไปบอกว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแกไปพูดว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ต้องจับขึ้นศาลกืนยาพิษหรือเผาทั้งเป็นอะไรนั่นนี่นี่พวกฝรั่งก็ดิ้นมาเนี่ยคนจากสมัยกลางก็ยังไม่หมดยังถูกฆ่าไอสารอินคิซิชันยังอยู่ แต่ว่าตอนนี้ก็คืออิทธิพลศาสนาน้อยลงตามลําดับจกนกระทั่งเป็นปฏิปป์ปฏิเสธศาสนาเลยยุกวิทยาศาสตร์ขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาตอนนี้เอาและมามองว่าวิทยาศาสตร์นี่มองจริยธรรมยังไงวิทยาศาสตร์นี่ต้องเอาแค่ผัสสะทั้งห้าเคยบอกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เอาถือว่าใจนี่เป็น j e บส่วนมันเป็นของไม่จริง แล้วแต่คนคิดความรู้สึกไปเองแต่ละคนไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ต้องภัสสะทั้งห้าเช่นตาเห็นหูได้ยินมือทาได้จึงจะเป็นความจริงวิทยาศาสตร์ก็เอาที่ห้าัสสะเนี่ยนีก็ตอนนี้เขาไม่เอากาศาสนาอยู่แล้วนี่จริยธถามาศาสนาอะไรมีที่ไหนเทวบัญชาเพราะพู้เป็นเจ้าสั่งนี่ไม่จริง มันก็เป็นเรื่องของสมมติเอาที่จริงไอ้จริยธรรมเนี่ยหลักความประพุทธเนี่ยมันเป็นเรื่องมนุษย์ตกลงกันเอาสังคมโน ด, ดูสิบอกว่าอันนี้ดีแล้วไปสังคมหนึ่งอันเดียวกันนั่นแหละไอ้ที่ว่าสังคมนี้ว่าดีสังคมโนดบอกไม่ดีเนี่ยไอ้ที่สังคมโนดว่าดีสังคมนี้ไม่ดีเนี่ยจริยธรรมความดีความชั่วไม่มีจริงเป็นของมนุษย์ บัญญัติเอาตกลงกันเอาฉะนั้นวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อจริยธรรมทีนี้ก็เหลือสายปรัชญาจริยธรรมก็มังอวิทยาศาสตร์ต้องปรับตัวเข้าวิทยาศาสตร์วิชาการต่างๆที่มาจากสมัยกรี ก, กโบราณ น, นั้นนะต้องมาปรับตัวเข้าวิทยาศาสตร์ให้หมดเพราะตอนนี้วิทยาศาสตร์มันเป็นใหญ่แล้วฝ่ายศาสนาคริสต์เองก็ต้องปรับจริยธรรมของตัวเองเข้ากับวิทยาศาสตร์ว่าทํำยังไง ฉันจะเป็นวิทยาศาสตร์ได้ยกตัวอย่างง่ายๆแนวคิดใหญ่ของตะวันตกมาตั้งแต่กรีกผมเล่าไปแล้วที่เป็นพื้นฐานของอารยธรรมตะวันตกคือแนวคิดพิชิตธรรมชาติมาตั้งแต่กรีกมามีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นตัวนำของวิทยาศาสตร์เป็นเจตจำนงของวิทยาศาสตร์ ที่เขาเรียกวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์แล้วต่อมาบางพวกบอโอ้ยมันไม่จริงเราวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์มาถูกไอเจตนานี้ครอบงำนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกนั้นที่ค้นคว้าวิทยาศาสตร์ขึ้นมาตัวอิทธิพลแรงบันดาลใจสําคัญก็คือความตั้งใจที่จะพิชิตธรรมชาติแล้วมนุษย์จะได้ทําอะไรได้ตามชอบใจเป็นใหญ่ในจักรวาลนี้จะมีความสุขแท้จริงไอแนวคิดเนี่ยมาครอบงำวิทยาศาสตร์ตะวันตกทีนี้ ศาสนาคริสต์ก็เลยต้องมาประสานมาออมชอมมาประนีประนอมกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ก็เลยมาหนุนว่าแนวคิดของคริสก็บอกอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกมาดูซิเจเนซิสเน่ยพระองค์สร้างโลกมาวันนั้นทำวันน like ั mm ้นวันนั้นทำวันนั้นแล้วพอสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาชักซี่โครงซี่หนึ่งจากผู้ชายเนี่ยสร้างเป็นผู้หญิงอีกคนได้คู่แหละ พอสร้างครบคู่แล้วก็บอกว่าสิงสาราสัตว์อะไรทั้งหลายบรรดามีในโลกเนี่ยให้เจ้ามีอำนาจครอบนําบัญชาจัดการได้ให้มนุษย์ได้มีอำนาจเหนือธรรมชาติทั้งหลายไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นอาหารของเธอได้เพราะนั้นฝรั่งก็ถือว่าฆ่าสัตว์อะไรกินเกินก็เป็นอาหารตามพระเจ้าสั่งไว้ว่ามันไม่มีผิดนี่เขาถืออย่างนี้ แล้วเขาก็เข้ากับหลักการของวิทยาศาสตร์แนวคิดที่ว่าโอ้เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จัดการกับธรรมชาติในตามชอบใจเพราะพระเจ้าบอกแล้วนี่พระเจ้าสร้างจั ก, กรวาลมาสิงสาร า, าสัตว์มานี่ให้อยู่ใต้อำนาจมนุษย์ให้มนุษย์จัดการดูแลเอาเนี่ยจริยธรรมแม้แต่ของครีกก็ต้องประสานเข้าแนววิทยาศาสตร์ให้ได้จนมาตอนเนี้เอาขอรัดนิดหนึ่งนะอันนี้อันนี้ถือเป็นส่วนพิเศษเพื่อจะให้เข้าปัจจุบันเวลาเนี้ย เรื่องการรักษาธรรมชาติเป็นสําคัญไอแนวคิดวิจิธรรมชาติก็ทําให้ฝรั่งแทบจะร้องให้รา <c oughs> ว่าตายแล้วเราผิดเนี่ยเราจะไปคิดวิจิตธรรมชาตินมันผิดเราจะต้องไม่มองธรรมชาติต่างหากจากเราเราต้องมองว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี่เป็นความคิดใหม่ของตะวันตกนะเดินเนมนุษยนะ์น่ยต่างหากกากธรรมชาติมนุษย์ฝ่ายหนึ่งธรรมชาติฝ่ายหนึ่งแล้วมีท่าทีเป็นปฏิ ป, ปักษ์กันมนุษย์จะต้องไปจัดการกับธรรมชาติ กำหลับมันให้ได้แล้วเอามันมารับใช้สนองความต้องการของตนเองทีนี้พอธรรมชาติสุดโสมร้อยหลอจะแย่แล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่บอกว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วจะต้องมองว่ามนุษย์นี่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็มองเป็นมิตรกันว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วทีนี้ฝ่ายคิดก็เอาใหม่และนี่ในอันตอเป็นต้นบอกโอ้ศาสนาคิดจริยธรรมที่ผ่านมาในยุควิทยาศาสตร์เนี่ยไป ประสานเข้ากับแนวคิดของวิทยาศาสตร์ที่สืบมาจากปรัชญาของกรีกที่ว่าให้มนุษย์เนี่ยมีอำนาจเหนือธรรมชาติจากการกรบธรรมชาติได้ตามชอบใจอันนี้ไม่ใช่ความคิดที่แท้จริงไม่ใช่คําสอนของพระผู้เปเจ้าไม่ใช่ของศาสนาคริสต์อะไรในะะเขาตีความใหม่พระเจ้าสอนนะ่ยไม่ใช่มีความหมายอย่างนั้ น, นอ้าวล้วสอนแล้วมีความหมายยังไงเพราะคำในเจนิสิตมันชัดอยู่แล้วเนี่ย ว่าพระเจ้าสร้างสิงสาราสัตว์สรรพโลกสิ่งทั้งหลายมาเนี่ยให้มนุษย์นี่จัดการตามประสงค์ไอตาอันกรก็บอกเนี่ยองค์กรศาสนาคริสเนี่ยทำความผิดไปประนีประนอมกับปรัชญายกรีกเพื่อเอาใจความคิดวิทยาศาสตร์ที่จะพิชิตธรรมชาติตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องกลับไปหาความคิดที่เดิมของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้ของพระเยซูหมายความว่าไง ที่ตัดว่าให้มนุษย์มีโดมนเนียนเขาเรียกโดมนเนียนมีโดเมนเนียนโอเวอร์เนเจอร์น่ยให้มีอํานาจครอบงําบัญชาการปกครองธรรมชาติเนี่ยหมายความว่าพระผพุทธเจ้าท่านสร้างมาสร้างมาทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งธรรมชาติแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยเป็นสมบัติของท่านแล้วท่านสร้างสิ่งเหล่านั้นมาแล้วท่านสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ย เพื่อให้ไปตัวแทนท่านดูแลสมบัติของท่านเออเขาเก่งเหมือนกันนะอิต า, อ, า อ, อันกอรู้จักไม่อันกอรองประธานรองประธานอาธิบดีสหรัฐเป็นคนสำคัญในเรื่องงาน environment เนะี่ยในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนะี่ยแกกำลังเป็นตัวการใหญ่เลยนะพระเอกคนหนึ่งนะนะแล้วนี่แกเขียนหนังสือเล่มหนึ่งคือ earth in the balance นะโลกในภาวะสมดุลนนะแล้วแกก็บอกอันเนี้ย แกบอกว่ า, าศาสนาคริสเนี่ยมันผิดเพราะองค์กราศาสนาคริสสถาบันาศาสนาคริสพวกโป๊บนี่ผิดแต่ว่าตัวาศาสนาที่แท้จริงถูกแกว่าอย่างนั้นก็คือว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านสร้างสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยแล้วก็สร้างมนุษย์มาแล้วให้เป็นตัวแทนดูแลสมบัติของฉันไว้นะเพราะฉะนั้นพวกเธอจะต้องดูแลสมบัติให้ดีพอตีความอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าพลิกให้าศาสนาคริสเนี่ยพิทักษธรรมชาติไปเลยใช่ไหมนี่แนวคิดใหม่ เขาเรียกว่าแนวคิดสจวตชิฟออฟเนเจอร์สจวตชิฟต์แปว่าอะไรสจวตแปลว่าผู้ดูแลแนวคิดสจวตชิฟต์วเนเจอร์ท่านต้องจำมันด้วยอันนี้ผมเลยเถิดไปแล้วเอาละไปอ่านว่านี่นี่คือวิวัฒนาการเรื่องของจริยธรรมที่ตอนนี้จริยธรรมมันกลับมามีความสำคัญก็เพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมันสุดโซ่ถ้ามีเวลาจะต้องเล่าให้ฟังว่ามันหวนกลับมาอย่างไรแต่จริยธรรมในตอนนั้นน่ะไปอันว่า วิทยาศาสตร์มองไม่เห็นความหมายและจริยธรรมนี่มันเป็นเรื่องมนุษย์คิดขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาตกลงกันเองอย่างที่ว่าม่อกี้มันไม่ใช่ของจริงเขาไปอ่านว่านี่คือเบื้องหลังภุมมหลังตะวันตกแล้วจะมาเป็นจริยธรรมสากลให้เราอะไรละงอนเง่นงอนเงินจะแย่อยู่แล้วใช่มตอนวิทยาศาสตร์ขึ้นมาจริยธรรมเทวบัญชาก็ไปเราไม่เชื่อแล้ว และจริยธรรมที่มาจากกรีกก็ต้องมาปรับปรุงตัวพยายามให้เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังเป็นไม่ได้เนี่ยก็ยังอยู่ในหมวดปรัชญาใช่ไหมอยู่ในหมวดปรัชญาหมวดปรัชญาก็เป็นสายมนุษยศาสตร์อีกคือเขาจัดหมวดวิชาใหม่ในยุควิทยาศาสตร์เป็นหมวดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหมวดสังคมศาสตร์หมวดมนุษยศาสตร์ก็คืออาวิชาการที่สืบมาแต่โบราณโราณชศิลปศาสตร์เนี่ยมาจัดใหม่ พวกหที่จริงแท้แน่นอนก็เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินี่อันดับหนึ่งวิทยาการอันดับเลิศเนี่ยทีนี้วิทยาการที่สืบมาจากโบราณตั้งแต่กรีกแต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะมีฐานะดีก็ต้องปรับตัวให้เป็นวิทยาศาสตร์ทําไงก็คือเอา scientific method ไปใช้เอาวิถีวิทยาศาสตร์ไปใช้วิถีวิทยาศาสตร์ก็ะเชนโน ต, ต้องวัดได้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสทั้ง5สัมผัสได้ วัดเป็นตัวเลขได้ก็เลยมีศาสตร์เก่าๆ เ, เช่นเศรษฐศาสตร์มาปรับตัวให้วัดได้ออกเป็นตัวเลขทําเป็นอะไรๆวิธีวิทยาศาสตร์มาใช้เศรษฐศาสตร์ก็ได้เป็นวิทยาศาสตร์ระดับหนึ่งขึ้นมาสังคมวิทยาก็พยายามใช้วิธี scientific method ก็ได้อะไรเงี้ยมนุษยวิทยาก็ได้ขึ้นมาได้ฐานะพวกนี้ก็เขาก็จัดให้เป็นวิทยาการหมดหนึ่งเรียกว่าสังคมศาสตร์มีฐานะเป็นอันดับสอง ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์สังคมนะเศรษฐศาสตร์สังคมวิทยามนุษย์วิทยาธธอะไรพวกเนี้ยก็ได้เป็นระดับสังคมศาสตร์ส่วนวิชาที่เอาวิธีวิทยาศาสตร์ไปใช้ไม่ได้เป็นเรื่องการคิดคำนึงของมนุษย์อะไรต่างๆเหล่าเนี้ยก็ให้เป็นหมวดหนึ่งเรียกว่ามนุษยศาสตร์ก็เช่นปรัชญ า, าศาสาศานาอะไรอะไรพวกนี้พวกนี้ก็กลายเป็นมนุษยศาสตร์ ในยุควิทยาศาสตร์ไอ้เจ้ามนุษยศาสตร์นี่ตกตำ่ำด้วยอํานาจวาสนานะแย่ไข่ไขก็จะต้องอันดับหนึ่งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติพอจะไปไหวก็สังคมาศาสตร์ น, ะนี่วิทยาศาสตร์รับรองไดนะ้อะไรเงี้ยก็เนี้ยก็เป็นมาอย่างงี้ทีนี้ไอ้เจ้าจริยธรรมก็ไปอยู่ในหมวดปรัชญาก็อยู่ในหมวดมนุษยศาสตรนะ์ก็ไม่ค่อยมีฐานนะศักดิ์ศรีอะไรเนี่ยเรื่องมก็เป็นมาอย่างเงี้ยทีนี้ จริยธรรมของฝรั่งก็ไปอันว่ามีสสายท่านเข้าใจและแล้วก็งอนแง่นไปในยุควิทยาศาสตร์ขึ้นมานี้ต่อมาพบนักวิทยาศาสตร์เองบางคนก็เป็นนักปรัช ญ, ญาด้วยเป็นนักปรัช ญ, ญาวิทยาศาสตร์และบางคนก็เอาใจใส่เรื่องจริยธรรมก็ไปคิดในเรื่องจริยธรรมก็ถกเถียงกันแต่มันก็คือปรัช ญ, ญาถึงยังไงนักวิทยาศาสตร์ไปสนใจจริยธรรมเหล่านั้นก็เป็นได้แค่ปรัช ญ, ญาอันนี้ มันก็เลยกลายไปว่าเมื่อไม่ใช่จริยธรรมศาสนาที่คาสนาคลิดบัญญัติมาว่าต้องอย่างงี้ต้องอย่างนี้แล้วใช่ไหมมันก็กลายเป็นจริยธรรมที่ขึ้นต่อนักปรัชญาหรือนักปราชญาแต่ละคนไปจริยธรรมเรื่องนี้อ้าวสุโขทิสว่าไงเพเรโต้ไงอริสโตเติลว่าไงจอร์นล็อกว่าไงยอดเอสบวร์ดมัวว่าไงจอร์นดิวอี ว, ว่าไงเบอร์ทันรัตเซนว่าไง โกนเบิกว่าไงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ต้องอย่างนี้กลายเป็นคนนั้นว่างนั้นคนี้วางนี้จริยธรรมเรื่องเดียวกันก็เห็นไม่เหมือนกันเราก็บอกว่าจริยธรรมตอนตกมันจะเป็นสากลยังไงแม้แต่ฝรั่งเองก็จะเถียงกันจะตายอยู่ใช่ไหมมันจะไปจริยธรรมสากลอะไรละ่ะแต่ว่าตกเองไม่รู้กี่นักปราชญ์เถียงกันอยู่ในในเดือนนี้เ น, เนี่ยเอาลงก็ไม่ได้ก็แล้วแต่ใครจะเป็นลูกศิษย์สายไหนทีนี้ก็จะเป็นจริยธรรมโดยสากลก็คือมีคนนักคิดบางคนเนี่ย พยายามไปประมวลความคิดของนักปราชญ์เหล่านั้นอีกทีหนึ่งหรือบางทีก็อาจจะเป็นไปในรูปคณะบุคคลมาประมวลความคิดแล้วก็มาจัดขึ้นมาเหมือนอย่างที่ผมเล่าเมืองไทยที่มาตั้งคณะหรือว่ารวมกันพยายามคิดว่าอันไหนมันแปลเป็นไทยว่ายังไงเลยจะให้เป็นจริยธรรมสากลมันก็เป็นความคิดของคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมจะเป็นจริยธรรมสากลเลย ไอจริยธรรมที่คณะบุคคลหรือนักคิดนี้คิดขึ้นมาบอกว่าสากลเนี่ยตอนนี้เข้ากันไดกับ น, นักปรัชญาทั้งหมดทุกคนเนี่ยลองไปหานักปรัชญาที่ว่าเป็นปรัชญาเมธีสําคัญแกอาจจะไล่ตะลิดไปเลยก็ไดใช่ไหมอิจารนักปรัชญานึ่นเขาก็ไม่ยอมรับอะไอที่จริยธรรมสากลที่พวกนี้คิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาตะวันตกเนี่ยมันยังเรียกว่ากระจัดกระจายเพราะฉะนั้นจริยธรรม ต, ตะวันตกก็เป็นจริยธรรมแยกส่วน แยกส่วนโดยขึ้นต่อบุคคลต่างๆหลายความคิดหลายนักปราชญาแล้วก็เป็นเรื่องๆไปยังไม่มีเป็นระบบที่โยงกันหมดมันเป็นเรื่องๆนักปรัชญาคนนี้ก็คิดเรื่องจริยธรรมด้านนี้คนนั้นก็ว่าแจริยธรรมเรื่องนี้เรื่องนี้หายากที่จะคิดได้ประมวลเป็นระบบที่มีความคิดค่อนข้างรวบยอดอะไรก็อาจจะกลับไปตั้งแต่ยุคโสกราติสเตรโตริสโตเตนแต่มันก็ยังเป็นปรัชญาเป็น speculation อยู่นั่นแหละ ท่อนักปรัชญาเขาจอยู่ที่ speculation คือการเก่งความจริงด้วยเหตุผลนี่ปรัชญาตวันตกมาเป็นฐานหรือจะเอาศาสนาด้วยอะไรฐานตะวันตกทั้งหมดเนี่ยมันงอนเงนันแล้วมาเป็นจริยธรรมสากลแล้วคุณจะเอาอะไรอ่ะเราก็ต้องรู้ทันนทีนี้จริยธรรมตะวันตกสากลเนี่ยเมื่อมันมาสายความคิดอย่างนั้นเนี่ย ก็เข้ามาที่พูดเมกกื่อกี้หนึ่งมันไม่มีระบบที่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติมันอยู่ในระดับของการคิดเก่งความจริงของนักปราชญ์ทไมอางศาสนาเป็นเทวัญชานะมันก็กลายเป็นความคิดของนักปราชญ์ไปก็ได้แค่นี้บางคนก็คิดเชิงธรรมชาติมีนักปราชญ์ยาตะวันตกบางคนพยายามคิดจริยธรรมในเชิงธรรมชาติเหมือนกันแต่มันก็ไม่เป็นระบบที่ชัดเจน มันก็กระจัดกระจายอย่างว่าเนี่ยแยกส่วนกันไปก็แปลว่าพูดได้รวมรวมก็คือไม่เป็นระบบที่โยงเข้าสู่ความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติเมื่อมันโยงไม่ได้เป็นระบบให้เห็นชัดเจนเนี่ยเราจะยอมรับเป็นสากลไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เป็นสากลแท้ก็คือความจริงก็เป็นจริยธรรมที่ไม่ยั่งยืนจริยธรรมไม่ยั่งยืนเพราะอะไรบ้าง ก็หนึ่งเนี่ยไม่เข้าถึงความจริงขธรรมชาติสก็คือเป็นจริยธรรมประเภทที่สูดใจเพราะจริยธรรมของตะวันตกเนี่ยมันไม่โยงไปสู่ระบบของการดาเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดอันนี้เราจะมาเที่ยวกับพุทธศาสนาจริยธรรมก็แยกส่วนออกไปนะตาแบบแผนขขงวิทาการตอนตกนะมันแยกกับวิชาการอื่นๆแยกกับการดาเนินชีวิตส่วนอื่นของมนุษย์ จริยธรรมเป็นเรื่องการประพฤติการอยู่ร่วมสังคมการปฏิบัติตัดสิ่งทั้งหลายก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันไม่ใช่ทั้งชีวิตนี่มันก็ไม่เป็นองค์รวมเมื่อมันเป็นแยกส่วนอย่างนี้จริยธรรมเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีหลักความประพฤติว่าอย่างนี้แล้วเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามแต่มนุษย์นั้นมีความปรารถนาของตัวเองที่อยากจะทําทตามชอบใจอยากจะได้อย่างนั้นงั้น ได้แล้วก็ไม่พออยากได้อีกอขัดใจขึ้นมาอยากจะทําร้ายคนโ น, น้นคนนี้หลักจริยธรรมบอกทํำไม่ได้ถ้าอยากได้ได้แค่นี้พอนะถ้าไปใช้วิธีผิดไปเบียดเบียนคนอื่นอะไรนี่ผิดจริยธรรมคุณอยากจะได้คุณก็ต้องเอาโดยวิธีการที่มันไม่ผิดหลักจริยธรรมที่วางไว้หรือจะไปโกรธคนอื่นจะไปทําร้ายเขาก็ไม่ได้ผิดจริยธรรม จริยธรรมก็กลายเป็นแบบแผนความแระพืชที่วางไว้อย่างเงี้ยันนี้มนุษย์ก็ถูกตีกรอบแต่ตัวเองมีความอยากความปรารถนาจะทําทําไม่ได้ก็อุดอัดใจก็ฝืนใจจริยธรรมตะวันตกก็มาได้แค่นี้มาได้แค่จริยธรรมเป็นความฝืนใจ <Yeah. S 1> เมื่อเป็นจริยธรรมเป็นความฝืนใจก็ไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนเพราะว่าเมื่อจิตใจคนไม่มีความสุข ปฏิบัติตามจริยธรรมด้วยความฝืนใจถูกบังคับมันก็คิดฝ่าฝืนตลอดเวลามีโอกาสเมื่อไหร่มันก็ละเมิดใช่ไหมเพราะนั้นจริยธรรมแบบนี้ยในที่สุดก็ต้องตั้งระบบหรืออะไรมาคุมกันมากมายแต่วรวมแล้วก็คือไม่ยังอยู่นี่แหละครับเป็นจุดอ่อนของจริยธรรมแบบสายตอนตกที่เขาจะเป็นจริยธรรมสากลที่เราจะต้องรู้เข้าใจแล้วก็อันเนี้เราจะมาเทียบกัน ระบบของพุทธศาสนาจะเรียกจริยธรรมอะไรล้วก็ไม่ว่าแต่ว่าเราต้องรวมศัพท์ใหม่ในะบัญญัติเมื่อประมาณสักสี่สิบปีแล้วแล้วก็เลยกลายเป็นไม่พอต้องไปเอาคุณธรรมมาด้วยเนี่ยต่อไปก็จะรู้ตัวไม่พออีกจัดอบรมจริยธรรมไม่พอต่อมาต้องมีจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเดี๋ยนี้เป็นคำคู่ไปแล้วต่อไปจะรู้ตัวว่าคุณธรรมและจริยธรรมก็ไม่พอ ต้องมีความสุขด้วยถ้าไม่มีความสุขมนุษย์ไปไม่รอดจริยธรรมนี่แหละความประพฤติเนี่ยต้องมีความสุขจิตใจตั้งเบิกบานผ่องใสมีความสุขพอใจมันจึงจะทําให้ประพฤติปฏิบัติสิ่งนั้นได้จริงอยู่จริงก็ต้องจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความสุขต่อไปก็จะรู้ตัวอีกเอ๊ะคนเราจะประพฤติปฏิบัติอะไรต้องรู้เหตุรู้ผลทําไมเราไม่ฆ่าคนอื่นไม่เบียดเบียนเขาเช่นอย่างพุทธศาสนาสอน เรารักตัวฉันใดเรารักชีวิตฉันใดคนอื่นเขก็รักฉันนั้นเราไม่อยากให้ตัวเองทุกข์ไม่ทําลายตัวเองก็ไม่ทําร้ายผู้อื่นอะไรเงี้ยกันแล้วแต่คือหมายความต้องมีเหตุผลให้พิจารณาเข้าใจได้ปัญญามองเห็นเหตุผลว่าทําไมจึงควรทําอย่างนี้ทําไมจึงไม่ควรทาวรวํางั้นควรงดเว้นยังไงปัญญาต้องมีไม่ใช่ว่าถือโดดเดยไปตามจริยธรรมใช่ไหมจริยธรรมก็ฝืนใจเลยต้องมีปัญญาต้องรู้เหตุรู้ผล แล้วปัญญานี่ยจะจะพัฒนาจิตใจเมื่อปัญญามันเห็นคุณเห็นโทษเห็นประโยชน์ในการประพฤติเห็นอะไรดีแล้วเนี่ยมันเต็มใจประพฤติใจมันก็จะสบายมีความสุขในการประพฤติจริยธรรมมันก็ไปได้ดีและพัฒนาได้เพราะนั้นในพุทธศาสนาจริยธรรมต้องมีปัญญาด้วย <c oughs> ตกลงว่าต่อไปเนี่ยจริยธรรมที่อบรมกันต้องเพิ่มอจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมความสุขและปัญญา ไม่รู้จัะจบต่อไปต้องมีคอยดูเพราะว่าจริยธรรมของเขาเนี่ยมันแยกส่วนอย่างที่ว่ามันเกิดจากการที่มามองคนอยู่ในสังคมและประพฤติตัวยังไงจะทําไงห้าหมไม่ประเปรียดเบียนกันแล้วก็วางหลักเกณฑ์ความประพฤติขึ้นมามันเลยเกิดจริยธรรมก็แยกส่วนจากชีวิตทั้งหมดทีนี้ต้องดูพุทธศาสนาว่าเป็นอง์รวมหมดพุทธศาสนาเหล่านี้แหละตั้งอยู่บนฐานของความจริงของธรรมชาติแล้วก็เป็นระบบของชีวิตทั้งหมด จึงออกมาเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลออกมาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายวาจาก็เป็นจริยธรรมคลุมหมดนะจริยธรรมก็อยู่ในศีลที่เราเรียกเดิมศีลธรรมแล้วก็มีเรื่องจิตใจตั้งจะเจตนาที่จะออกมาสู่การประพฤติปฏิบัติแล้วก็เครื่องปลุงแต่งเจตนาจิตใจต่างๆคุณธรรมความดีเรื่องของความเข้มแข็งจิตใจสติสมาธิเรื่องของความสุขความร่าเริงเบิกบานสดชื่นแจม่มใสอะไรเนี่ย เนี่ยต้องมีด้วยต้องให้พัฒนาเรื่องของคุณภาพความสุขความอะไรในใจิตใจมันถึงกันหมดมีสมาธิเป็นแกนแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยระบบจริยธรรมที่แท้ต้องศีลสมาธิปัญญาต้องหมดทั้งชีวิตศีล ส, สมาธิปัญญาคือทุกด้านของชีวิตเพราะฉะนั้นจริยธรรมตะวันตกน้ำไปไม่รอดแล้วก็เล่าอีกหน่อยหนึ่งว่าเมื่อจริยธรรมตอนตก มาถูกวิทยาศาสตร์ตีจริยธรรมเทวปัญชาก็งอนเงันงอนเงันและจะริยธรรมแบบสายปรัช ญ, ญามาก็ต้องพยายามมาคิดแบบวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่มั่นคงมาเนี่ยและทีนี้เมื่อเกิดการเรียกร้องจริยธรรมใหม่ซึ่งมาเรียกร้องมากในยุคที่เกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี1 9 6่เก้ิว่าปนมาก็เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเด่นในอเมริกาพอหพกา็ก็เป็นปัญหาโลกเลยเค ย, เคยเล่าแล้วเนี่ยการประชุมระดับโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเมื่อปี 1,972 เป็นครั้งแรกและต่อมาก็เรียกเอ r t h s u มมิต1992ทีละ20ปีจัดเนี่ยพอปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดเนี่ยมนุษย์จึงเรียกร้องจริยธรรมกันจริงจัง ตอนก่อนนี้ก็หวังวิทยาศาสตร์จะนํามนุษย์ไปสู่ความสุขควเจริญวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมทําให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจนี่คือองค์ประกอบของการพัฒนาในยุคที่ผ่านมานะฮวิทยาศาสตร์2เทคโนโลยี3ามอุตสาหกรรม4เศรษฐกิจเป็นเป้าหมาย แล้วมาตกลงกันเมื่อตอนที่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยว่าการพัฒนาอย่างนี้อันซัตเทนเนอเบิลเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็เกิดสัมผัใหม่และก็ซัตเทน a นอร์เบิลดีเป็ลักเการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละครับเนี่ยเกิดขึ้นตอนนี้นีตะวันตกมันเกิดปัญหามาเรื่อยเรื่อยเมื่อวิทยาศาสตร์เป็นความหวังว่าจะนำมนุษย์ไปสู่ความสุข ส, ขสมบูรณ์ทุกอย่าง ต่อมามันเริ่มรู้สึกจิตใจก็กรลกะวายในยุคอุตสาหกรรมทำงานก็มีความเครียดเขาเรียกว่ามีแต่ก่อนที่สับนิยมที่เคยเล่าและแอไซตีแล้วมายุคนี้สเตรสเนี่ยเป็นสับเด่นก็มีปัญหาเรื่องทุกข์ใจหนึ่งละสองสังคมก็เดือดร้อนอัจญากรรมก็มากเบียดเบียนกันก็ไม่เห็นดีสักทีแต่มันก็ยังไม่หนักเท่าไอ้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดคราวนี้ ไม่ไหวแล้วบอกว่ามนุษย์จะอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าทรัพยากรธรรมชาติหมดมลภาวะเต็มโลกนะอยู่ไม่ได้แน่แล้วก็เลยเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็กลับมาเรียกร้องจริยธรรมจริยธรรมก็กลับเด่นขึ้นมาในยุคนี้ในยุคที่ฟื้นฟูรเรื่องธรรมชาตินี่แหละท่านนี้ก็เรียกร้องจริยธรรมกันใหญ่ก็เกิดเอ็นวิลเลิร์นเมนทัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นจริยธรรมอย่างใหม่เลยนะ ก็สำคัญมากที่ว่าต้องมองมนุษย์ใหม่มองว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ใช่แยกต่างหากจากธรรมชาติแบบเดิมของตอนตกแล้วต้องมองเป็นมิตรไม่ใช่มองเป็นศัตรูแต่ก่อนนี่มองเป็นปฏิปักษ์จะไปกําจัดกาําราบทีนี้ต้องมองเป็นเฟรนลี่เป็นมิตรกันอะไรๆดูธรรมชาติจะผลิตอะไรทางอุตสาหกรรมก็จะต้องดูว่า มันเนเจอร์ฟรนลี่ไหมมันเป็นมิตรธรรมชาติไหมอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนี้ต้องคิดอย่างงั้นนะเอาก็เป็นอันว่ามองใหม่แล้วก็ให้อยู่กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วจริยธรรมก็คือต้องรักษาธรรมชาติด้วยทำไงก็ขัดกับไอแนวคิดเดิมแนวคิดเดิมบอกว่ามนุษย์จะมีความสุขก็ต้องเอาธรรมชาติมาจัดการให้เต็มที่ตามชอบใจ จริยธรรมนี้จะรักษาธรรมชาติก็ตรงข้ามจะจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจไม่ได้ตอนเนี้ยตอนตกมาถึงจุดขัดแย้งอย่างหนักเลยเขาเรียกดิเลมมาปัญหากลืนไม่เข้าขายไม่ออกเนีเออทำไงล่ะคติเดิมมันมาสายไอแนวคิดอุตสาหกรรมว่าเราต้องผลิตเอาธรรมชาติมาเข้าโรงงานเป็นวัตถุดิบ เข้าโรงงานอุตสาหกรรมออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลถเสบบริโภคก็เต็มที่มนุษย์จะมีความสุขสมบูรณ์ก็มนุษย์จะสุขสมบูรณ์มากที่สุดเมื่อเสบบริโภคได้เต็มที่ใช่ไหมก็คือจัดการกับธรรมชาติได้เต็มที่นี่เนี่ ย, น ย, นยแนวคิดยุคอุตสาหกรรมแต่มาตอนนี้บอกว่าถ้ามนุษย์จัดการกับธรรมชาติตามใจตัวธรรมชาติวอดวายมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นมนุษย์จะต้องไม่ทํากับธรรมชาติตามใจชอบ ต้องระับยับยั้งใจตัวอา้าวแต่ฉันจะมีความสุขต่อเมื่อฉันได้เศษบริโภคจัดการกับธรรมชาติได้เต็มที่ก็เมื่อฉันจัดการกับธรรมชาติไม่เต็มที่ก็บริโภคไม่เต็มที่เศษได้ไม่เต็มที่ถ้าฉันจะมีมีความสุขได้อย่างไรนี่ตอนตกขงขัดตรงนี้เวลานี้กําลังอยู่ที่จุดเนี้ยแนวคิดเดิมบอกว่าต้องจัดการกับธรรมชาติเอามาเป็นวัตถุเศษบริโภกคก็ได้เต็มที่จะได้มีความสุขเต็มที่ ตอนนี้บอกว่าจัดการไม่ได้ทํางานมนุษย์วอดวว้ธรรมชาติวอดไว้มนุษย์อยู่ไม่ได้นั้นจะต้องยังงับยับยั้งตัวจัดการกับธรรมชาติแต่พอดีไม่ลุกรานมันไม่กําจัดเบียดเบียนมันต้องมี restraint สับนี้พาเราเรียกว่าสังวร restraint ว่าเป็นศัพท์จริยธรรมอันหนึ่งต้องมี restraint ความลั้งงับยับยัง้งชั่งใจมีสังวรสิสะมะีสังยะมะ restraint ตรงนี้ว่าสังยะมะ <All> right. แล้วทาไงล่ะอา้าวก็ในเมื่อจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจไม่ได้มันก็ไม่มีความสุขเต็มที่สิใช่ไหมเนี่ยถึงยุคเนี่ยที่ตะวันตกมาติดขัดแม้จะรื้อฟื้นจริยธรรมขึ้นมาก็เป็นจริยธรรมแบบฝืนใจจะรักษาธรรมชาติแวดลอมก็รักษาเพราะจําเป็นมันถูกบังคับนั่นเองให้ต้องรักษาไม่งั้นมันตายทีนี้เมื่อไปรักษาธรรมชาติตัวเองก็ต้องฝืนใจตัวเองตัวเองก็ไม่สุขเต็มที่ ก็มีความทุกข์สิอย่างน้อยไม่สุขก็ทุกข์นั่นแหละฝืนใจตัวเองก็เป็นจริยธรรมฝืนใจแล้วจริยธรรมก็เลยไม่ยั่งยืนเนี่ยมันก็อยู่เนี่ยฝรังก็หาทั้งออกเพราะนั้นพวกนักคิดฝรั่งตอนนี้เขาก็มาหาแนวคิดตอนออกด้วยเขามาดูว่าพุทธศาสนาศาสนาตอนออกทั้งหลายในคิดต่อเรื่องธรรมชาติแวดล้อมอย่างไรผมเจอกับพวกนี้มาตั้งเป็นสิปีแล้ว ฝรั่งมามองไทยก็มาถามความคิดเออพุทธศาสนาว่าไงเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพุทธศาสนามองไงเขาจะเอาความคิดตะวันออกไปเสริมแก้ไขปรับปรุงจริยธรรมตะวันตกเพราะมันไปไม่รอดแล้วคุณจะเอาจริยธรรมตะวันตกมาเป็นปจริยธรรมสหกรอะไรเล่าตอนนี้นอกจากมันงอนแงนฐานเดิมมันแย่แล้วตอนนี้เขากําลังหาทางออกอยู่เนี่ยฝรั่งเองกําลังหาทางออกมาหาจากเรานั้นต้องรู้ทัน นี่ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงตอนนี้ก็คือถึงตอนที่ตะวันตกกาลังหาทางออกแล้วเขาจะริยธรรมเขาก็มาถึงจุดนี้ว่าแล้วจะทําไงล่ะมนุษย์มันถึงทางที่มันคล้ายๆมันไปทางไหนไม่ได้ทางนั้นจะเอาทางที่จัดการกับธรรมชาติตามชอบใจมีสุขสมบูรณ์ตามที่เข้าใจมาเดิมก็ทําไม่ได้แต่ว่าจะไปทางนี้ที่ต้องยอมสูนใจ แล้วก็ยอมอดยอมเว้นยอมงดมันตัวเองก็ไม่มีความสุขอีกเออแล้วจะทำไงมันก็ไม่ดีทั้งคู่เลยทีนี้ทำไงก็ตามมันก็บังคับข้และจริยธรรมเอ็นวิลเล n ร์นเมนทัลเเนี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมันบังคับเขาก็เน้นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็จริยธรรมสิ่งแวดล้อมนี่มันโยไปหาตัวสำคัญที่สุดคืออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเป็นตัวร้ายที่ทำลายธรรมชาติใช่ไหมเนอเพราะต้องเอาธรรมชาติเป็นวัตถุ ด, ดิบเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเพราะนั้นจะต้องให้อุตสาหกรรมเนี่ยมาใช้จริยธรรมสิ่งแวดล้อมด้วยแต่อุตสาหกรรมที่มันมีผลต่อสังคมเนี่ยมันออกมาในรูปธุรกิจคือธุรกิจอุตสาหกรรมคือบิสซิเนสเอาไอตัวการสาคัญก็บิสซิเนสนี่แหละเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี่ยสำคัญแต่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรม เวลานี้เรื่องของกิจการสังคมเนี่ยถูกครอบงำด้วยระบบธุรกิจใช่ไหมคือระบบกําไรสูงสุดทําทไงล่ะกำไรสูงสุดเนี่ยมันก็จะมาทําลายธรรมชาตินี่แหละก็จะต้องเอาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าสู่ระบบธุรกิจให้ผู้ดําเนินงานธุรกิจเนี่ยมีจริยธรรมแบบที่ว่าคือจริยธรรมสิ่งแวดล้อมนี่ นั้นในมหาวิทยาลัยในอเมริกาก็เลยต้องบรรจุวิชาใหม่วิชาเอศศยุคใหม่ก็เกิดขึ้น 1. Environmental e t h i c ทันเยธรรมสิ่งแวดลอ้อมแล้วจริยธรรมสิ่งแวดล้อมนี้ก็เข้าไปเป็นแกนเป็นส่วนสำคัญในจริยธรรมธุรกิจเขาเรียกว่า Business Ethics เวลานี้มหาวิทยาลัยสำคัญในอเมริกาก็จะมีวิชานี้ด้วยเรียกว่าวิชาบิสซิ s นสเอศศ และในบิ s เนสเอกเนี่ยก็คือเนี่ยมีเรื่องให้คำหนึ่งสิ่งแวดลอ้อมก็ได้แค่ให้ยับยั้งใจนะอย่าไปจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจนะเนี่ยให้งดเว้นบ้างอะไรเนี่ ย, ยก็หาทางกันต่างๆเพื่อจะสงวนรักษาธรรมชาติก็ไม่ไหวพอประชุมเออสซัมมิตทีหนึ่ง20ปีทั้งๆที่พยายามโฆษณาชักชวนกันก็ปรากฏสิ่งแวดล้อมก็เสื่อมโทรมลงไปอีก แทนที่จะดีขึ้นมันดีขึ้นนั่นเวลานี้เขาหาทางออกไม่ได้นะบอกคุณอย่าไปมัวติดกับไอเอสิกสากลของฝรั่งเลยมันตันไปแล้วมันไปไม่รอดหาจริยธรรมใหม่มคุณจะเอาพุทธหรือไม่เอาพุทธกันแล้วแต่คุณต้องหาใหม่แต่หาใหม่มันไปไม่รอดมาเอาเราเองอ้าวเล่าให้ฟังนะจะได้รู้เรื่อง <c oughs> จริยธรรม เอาล้วครับวันนี้ก็คุยกันพอสมควรเข้าใจนะเรื่องนี้สําคัญนะเพราะตอนนี้เขาพยายามแล้วพอมองเห็นเลยนะจะได้รู้ทันต้องรู้ทันเรื่องนี้รู้ทันเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันลึกไปอีกว่าพวกนี้รากฐานมาอย่างไงภูมิหลังเป็นยังไงเอาช่วยกันนะช่วยกันมองช่วยกันทําความเข้าใจไว้เพราะเป็นเรื่องใหญ่ต่อพุทธศาสนาแล้วทํางไงเราจะเอาหลักพุทธศาสนาที่แท้เนี่ย ออกไปสู่สังคมเพราะเวลานี้เราก็ต้องโทษตัวเองด้วยว่าที่เขาคิดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเองด้วยถูกไหม <c oughs> เพราะเราเนี่มันบกพร่องตัวเองก็ไม่ได้รู้เรื่องชัดเจนแล้วก็ไม่บอกเขาไม่สอนเขาแล้วโมไปยุ่งกับไอ้เรื่องอะไรก็ไม่เป็นเรื่องทำให้เขามองภาพเราเสียไป <c oughs> ก็เลยเขาก็ไม่เอาสิใช่ไหม ก็ต้องโทษตัวเองด้วยก็ต้องปรับรุงตัวเองเลยเกิดที่สุดสันดานกลางขึ้นมาตนนั้นทีทีนี้ก็เราก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีเอานะครับวันนี้ที่พูดเรื่องนี้ก็ปราลบหลวงพ่อปัญญาเนั่นทะเพราะท่านมีบทบาทสําคัญในเรื่องจริยธรรมทีนี้ท่านสิ้นแล้วเราจะต้องนึกว่าทําไงจะให้การสอนจริยธรรมเนี่ยดําเนินไปได้ดีเราต้องมีกําลังสู้ต่อเผยแผ่ตอบช่วยกันตอนนี้ก็ขอ ให้ระลึกถึงหลวงพ่อปัญญานันทะนึกถึงท่านก็ขอให้ทําใจสงบประมาณสองนาทีก็ได้ว่าทําใจสงบระลึกถึงหลวงพ่อปัญญานันทะพร้อมทั้งอุปการลณ์คุณของท่านแล้วก็คว า, ามตั้งใจที่จะทํางานเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่ระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวโลกสืบไปขอตั้งใจทุกท่าน อ้าวแล้วครับโมนตนาทุกท่นานก็ขออการลาคื้นกุฏิ